เขาเว่าวมาหลายมือแหละบอกว่าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สิบเก้ามีหน้าเนี่ยอากาศจะร้อนพายหน้ายาสิบปีเนี่ยจะร้อนมากเลยครับว่าแต่มือเส้าหลวงพ่อออกมาจากกุฏิหลวงพอ่อจะได้หาผ้าห่มมันหนาวเอมันคือสี่กี่ตัวเมือนข้าวตีเหลวี่ยมาัฝนฝนสิม้านะฝนสีม้าครับว่า อวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามพายุจะพายุโซนโซนร้อนจะเข้ามาทางอีสานสมไสกับตำทาห้องรับเคลื่อนจได้เด็ดมื่อนบาดแล้วมบมีเ่เดวนนี้บอกมมีฝนมบมีไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีฝนก่อนคีเมฆ ก, ก่อนคีฝ่าก่อนเนึองก็บมมีอ มันไปทางใดว่าแต่วันนี้เขาบอกว่าอากาศจะร้อนจัดตากอนเมงแต่วันที่ยี่สิบแปดเมษายี่สเจ็ดยี่สิบปดทุกปีน่จะมีอากาศร้อนสูงสุดของในเมืองไทยเฮ้าเป็นอย่างหลวงพ่อยังจำได้เพราะมันเป็นวันช่วงวันเกิดของหลวงพอ่อเเมษา แต่ในทุกปีฝนตกเกือบทุกปีเราอปในช่วงนั้นก็เลยบอกความหลอนมันก็เลยบอกบกขึ้นแต่ข้าวเนี่ยเขาบอกว่าความร้อนจะขึ้นวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบเก้าจะร้อนสุดภายในภายในที่ห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นลูกหลานฟัง ฟ, งฟงมึงนะ แต่เมื่อเสาร์ที่หนาวได้ป่านเนี่ยแปลกขึ้นกันนะออกมาหลวงพ่อจนหาผ้าหมนะ่มเ่ะแต่มดบานมันก่อนไม่หนาวนะออกมาก็สบายสบายอยู่แต่หนาวอยู่แต่มันก็สบายเย็นสบายสบา ย, บายแต่เมื่อเช้านะ่ะมันถ้าว่าจะเปรียบเทียบกับอุณหภมนะูมิแล้วประมาณสักยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนะอยู่ยา ก, กานะลักษณะแต่ว่าอยู่ยากต้องหาผ้าหม่ม วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าลุกหลานที่มาพักวัดของหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ่างนะหลวงพ่อกลลงไปตอนเย็นก็ไปให้กูบาแนะนำวิธีการทำสมาธิหลวงพ่อเป็นผู้แนะนำเป็นเบื้องต้น เรื่องสมาธินะที่ติดธรรมจิตใจให้สงบถ้าคนมีสมาธิดีคิดการงานไตรตรองเหตุและผลเน่งจิตจิตใจนิ่งจิตใจจิตใจของเราไม่วิตกกงังวลไม่วิตกไม่กงังวลไม่ ว, าว้าวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจิตใจข อ, ของเรามีเป็นสมาธิเราจะทำหน้าที่การงานอะไรเราก็ทำได้ได้ได้แม่นได้คล่องได้ถูกต้องได้ถูกจุดเพราะอะไรเพราะเพราะใจของเราเป็นสมาธินี่แหละจะว่าภาวนามยปัญญานี่ ปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบภาวนาคำนี้คือทําจิตใจให้ให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งพอจิตใจแน่วแน่จิตใจเป็นหนึ่งแล้วผ่านความสงบความผ่านความนิ่งผ่านการจากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริง สรุปแล้วก็คือถ้าหัวใจของเราเนี่ยคิดทั้งวี่ทั้งวันปุงฟุง้งซ่านไม่รู้เรื่องอะไรตัวไม่อะไรปวดหัวตลอดอจิตใจอ่อนล้อาอ่อนล้าอ่อนเพลียจิตใจอ่อนเพลียคือเราทํางานทั้งวันคิดทั้งวันเดินทั้งวันมีเครื่อนปุงฟุง้งซ่านทั้งวันอแล้วจะให้คนนั้นคิดเรื่องการเรื่องงาน มันคิดไม่ได้นะถ้าว่าผู้ใดคิดก็จริงอยู่แต่ว่าถึงข่าวหลับมันหลับทานอาหารให้อิ่มพอทานอาหารอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ น, นอนให้หลับออพอหลับตื่นขึ้นมามีกำลังพร้อมที่จะทำการทางานสู้การสู้งานได้แล้วเราจะทำงานประเภทไหน เราก็ทำงานได้พอทำงานเสร็จเรียบร้อยพอทำงานไปมันเหนื่อยเอามาทานอาหารอาพอพานทานอาหารเาสร็จแล้วเราพักผ่อนเอากำลังนอนหลับขณะที่นอนไม่ใช่นอนไม่หลับไม่ได้นะต้องนอนหลับพอนอนหลับตื่นขึ้นมาอีกทำการทางานอีกนี่แหละ สมถะและวิปัสสนาถ้าเปรียบเทียบกวับลักษณะอย่างงั้นแหละสมถะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็วิปัสสนาก็คือการกรองไตรตรองหาเหตุและผลในเรื่องนั้นๆคือเราจะค้นขว้าศึกษาเรื่องอะไรถ้าเราศึกษาเรื่อง ภายในใจของเราเรื่องกิเลสราคะมันเกิดมาอย่างไรโทรสามโมหะค้นคว้าในจุดนี้เราก็ค้นคว้าได้แต่จากค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วค้นคว้าคิดเรื่องวิทยาศาสตร์อันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นอันไหนจิตแจมก็จะเน่งเขาต้องมีสมาธิซะก่อนเขาจึงจะมีมันถึงจะเกิดผล เรื่องสมาธิเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นพวกจะเป็นใครเขาตามเ อ, อจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นนักศึกษาจะเป็นใครเขาตามมันต้องผ่านความสงบซะก่อนในระดับหนึ่งหลวงพ่อยังเคยแนะนําบอกว่าหลวงพ่อเคยได้ผลสมมุติว่าเ อ, อเรื่องราวมันเกิดขึ้น่ มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับในกลุ่มของเราหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมนันเกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุอันใด เ, เราก็มันไม่รู้ทางทางไปทางมาไม่รู้ตนไปสายเหตุเหมือนกันแต่ในนี้พอเรานั่งขัดสมาธิเรียกว่าเดินจงกรมเลินเดินโยกรมทาใจให้เน่งเน่งไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดว่าเราถูกไม่ต้องคิดว่าเราผิดไม่ต้องคิดว่าเรื่องอท่านนั้นเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเราไม่ต้องคิดเราจะคิดแต่ว่ามันสาเหตุเป็นมาเพราะอะไรเราได้รับจุดนั้นครั้งแรกทารู้เรื่องจุดนี้ครั้งแรกจุดนั้นในเมื่อกู้จุดนั้ น, น patterns, แล้วมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมัน <maar S 1> สาเหตุมันมาจากอะไร มันเกี่ยวข้องกับอะไรเราค้นหาเหตุถ้าเราอยากจะรู้นะพอเราค้นหาเหตุเจ้าจะรู้ได้ทันทีเลยเรื่องนี้มันมาจากเหตุอันนี้เองมันจึงเป็นผลอย่างนี้นี่แหละอันนี้เพียงเราเพียงใ ช, ใช้สมาธิในการเป็นอยู่ของเราเราก็พร้อมที่จะค้นค้นเรื่องนั้นได้เพราะจิตใจของเราหนึ่ง จิตใจของเราไม่ต้องไม่ต้องพิตกกังวลไม่ต้องว่าเราผิดไม่ต้องว่าเราทุกขอเราไม่ต้องนะเราทำใจให้เป็นกลางกลางในขณะที่เราคิดเราค้นหาเราทำใจใเป็นกลางกลางพอทำใจใเป็นกลางกลางแล้วเราจงนึกย้อนย้อนย้อนย้อนดูแบบละเอียดทีท่วนเราจะเห็นเหตุและผลในเรื่องนั้นนั้นนะั่นะเพียงทางโลกเพียงแค่นี้เราก็ ต้องใช้สมาธิในจุดหนึ่งแต่ตามไม่จริงทางว่าสมาธิในจุดที่จะถอดถอนกิเลสภายในใจอันนั้นต้องละเอียดถี่ถ้วนเขาพูสงบนน่งในเมื่อสงบจิตใจสงบนน่งแล้วนำมาพิจารณากานกรองไตรตรองเหตุและผลเมื่อการกรองไตรตรองเหตุและผลนั้นเกิดแล้วว่าวิปัสสนาถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราได้ ในเมื่อจิตใจของร้องเข้าสู่ความสงบหรือผ่านความสงบนะเนี่ยหลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไข่อยู่ในจานนะาจานก็คือจานไข่ก็คือไข่แต่นี่จานก็คือที่รองรับแต่ไข่นั่นก็คือไข่แต่หลวงพ่อเลยมาเปรียบเทียบ ไข่กับจานมันขยับก็เยื่อนไม่ได้ฮะหลวงพอ่อเลยมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นมาว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถนะลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถหลวงพอ่อแต่จะเปรียบเทียบกับลงล้ตาที่ท่านพูดก็ว่าไข่เหมือนกับคนขับรถจานเหมือนกับรถนะลักษณะอย่างนั้นนะ เ, เพราะนั้นให้พวก เราคณตตายาดโยมลูกหลานนะเรื่องการภาวนานะในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเห็นได้ชัดเลยไม่ต้องถามใคร เ, เมื่อจิตใจรวมถึงสงบถึงขนาดนั้นเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแ ล, ยแล้วศูนย์ตัวไหนเกิดตัวไหนตายตัวไหนศูนย์ตัวไห น, นเกิดเราจะไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่า ร่างกายเนี่ยรถเนี่ต้องตายแน่ๆเอาไปเผาไปทิ้งแน่ๆเอาไปเข้าผงญ้าแน่ๆสมัยก่อนก็เอเขาไม่มีการขายเศษเหล็กใช่ไหมล่ะเอเขาคนนั้นรถคันเก่เาๆก็จับพักเข้าไปในผงหญยาทิ้งเลยเปลาช้ารถน่ะเอแต่คนขับรถเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นเนยนะออกจากรถเนี่ยพราะมันรถตายแล้วใช่ไหมล่ะจะไปอยู่ได้ยังไงเอคนก็ออกจากรถนะ พอออกจากรถคนก็ไปหาซื้อรถคันใหม่เองไปหารถคันใหม่อีกนั่นแหละสรุปแล้วก็คือโซเฟอร์นะ อ, อกจากรถเนี่ยถ้าเราภาวนาจิตใจผ่านความสงบแล้วนะ่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพระเนนลูกหลานนะเอแต่จะทําสงบทํำยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดคูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําบริกรรมพุทธโธเนี่ยแหละเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ท, ที่ ลมที่ปลายจมูกนั่นแหะเมื่อจิตใจจิตใจของเราไม่คิดไปทางอื่นไม่ปุง้งไม่ฟุ้งไปทางอื่นใจนิ่งพอนิ่ง น, ะนะั่นแหละแะสงบเกาไปเรื่อยเลื่อยๆจนเน่งจริงๆจนเห็นได้ชัดว่ากายกับใจใจกับกายอร่างกายเหมือนกับจานใจเหมือนกับไข่ยอยู่ในจานลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็เปรียบเทียววัดร่างกายเหมือนกับรถเหมือนกับรถใจเหมือน เป็นโซเฟเวอรนะ์รถที่จะให้รถคณิตไปในที่ต่างๆได้ เ, เวลาจะปีบแก่ก็ได้จะให้มันหยุดก็ได้จะให้มันไปก็ได้เวลามันให้บีบแก่กันนะ่ะหลวงพ่อกำลังบีบแก่อยู่เลยนเอีอเออแนะนำสังสอนบอกกล่าวนี่แหละแกลของรถนะโซฟเฟอร์มันอยู่ข้างในนะสั่งการอยู่นะเอาได้ยินใครมาโอ้นา ย, ยกอบตบันทาลมาตัวนี้ เอออาอาหารมาอันไหนที่จกเอาเขามาประเคนลูกหลานเอาเขามากับประเคนกันเลยมาทีหลังมาซาแท้แม่วันตากับหน้าเขานวยคืบเดียวหนึ่งมหมย่บก๋งบุไก่ยังวะเขาว่าเมื่อเนี่สียหอนในนายกเมื่อเนี่สียหอนมาจากเขาว่าจนหอนวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สิบเก้าวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบเก้าเข้าพูเสือรอป่าพราะเคยตมมาเจนึงหรือเ่ เมื่อไหนออกมานมันหนาวเลยไหมเข้ากนว่าฝนสิม่านด้เหรอแต่พายุโซนร้อนพายุโซนร้อนจะเข้ามาวันที่ส1บเอ็ดถึงวันที่ส3บสามเลยมิดจอยลอยผมมีหดขีฝ่าลูกปูสิงท่องบอกว่าไปหขาเสื้อมันปากเล็กปากขังปากเล็กปากขางคือปากวิทยุอนออกไปอันนี้เขาบอกว่าในสีหอนเด้ แต่มือเศ้าหนาวออกมาจากกุฏิโอจะได้หาผาห่มมันมันสียหอนอยู่บยังียเว่นค่อยๆบรร ล, ลกลานะสองสามมือนหูจักห่อนบ่ห่อนว่ะ <c oughs> อลัลลอฮฺทอน้มาเนี้ยนะกันลงพอเทศอีกสองกันลงพอจะบด้สันจิหันละหมัไ <c oughs>